ในขณะนั้นเองมีนางนกดูเเววสวยงามสองตัวคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้างให้นกตัวหนึ่งจับตรงกลางแล้วมีนางนกดูเเวบินไปข้างหน้าแปดตัวข้างหลังแปดตัวข้างซ้ายแปดตัวข้างขวาแปดตัวข้างล่างแปดตัวข้างบนบินบังเป็นเงาไว้อีกแปดตัว พูดง่ายว่าว่ามีมีนกดูเบานะอยู่ตรงกลางเนี่ยเกาะอยู่บนท่อนไม้เนี่ยตัวหนึ่งโดยที่ท่อนไม้นี่จะมีนางนกนะ อ, อ, อะไรอะจับเอาไว้ให้อะจับไอ้ท่อนไม้ที่ไว้ให้ให้ให้ให้พยานกดูเบาเนี่ยเกาะอยู่ตรงกลางท่อนไม้แล้วนอกนั้ น, น่ะ ข้างๆซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างมีมพวกนางนกดูว่าวแปดตัวนี่ล้อมไม่หมดเลยนะพอเห็นอย่างนี้ก็ก็นึกแปลกใจอะสิใช่ไหมพวกนางนกดูว่าวเ่านั้นบินแวดล้อมนกดูว่านั้นไปโดยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นเห็นฝูงนกทั้งหมดจึงทูลถามภ า, าษาสดาว่าฝูงนกเหล่านี้ชื่อนกอะไรพระเจ้าข้า พระาศาสดาตรัสตอบว่านี้เป็นวงตระกูลเก่าของเราเองเราได้ตั้งประเพณีไว้แต่ก่อนนางนกตัวเเ่าทั้งหลายก็ได้บำเรอเราอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันแต่คราวนั้นฝูงนกนี้ยังเป็นฝูงใหญ่นางนกที่บินตามแวดล้อมเรามีประมาณถึง 3,500 ัน้ตัวแต่ตอนนี้เหลือแค่มีกี่ตัวเองหน้าข้างละแปดเองแต่ตอนนั้นเน่ ผู้เจ้าบอกว่ามีตั้ง 3,500 ตัวแต่ในเวลาต่อมาก็ร่วงโรยลงโดยลำดับจนเวลานี้ก็เหลือเพียงเท่าที่เห็นนี้เท่านั้นเองนะพู้เจ้ากำลังจะตรัสให้พวกพวกภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าอันเนี้ยมีมานานและนมนากาเลเพียงแต่เดี๋ยวนี้เหลือแค่ลักษณะคือยังเป็นโครงสร้างเหมือนเดิม แต่นกเหลือก็ถึงเดียวเองเดี๋ยว8 8เท่าไหร่นะข้างบนข้างล่าง1 2แล้วข้างหน้าข้างหลัง4เอ่อเป็นเท่าไหร่ข้า ง, างซ้ายขวาอีกห้าหกหกแปใช่ไหมห้าสิตัวใช่ไหมอีก2ตัวจับอันนั้นให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ50ตัวที่ ท, ที่ที่ช่วยอะไรอ่ะ คุ้มครองช่วยดูแลพยานกดูว่าวซึ่งเกาะเกาะท่อนไม้นี่อยู่แค่ตัวเดียววันเท่ากับ่าจากสา0พตัวเหลือแค่ห0สิบตัวพวกพิสูจ์จึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางนกเหล่านี้ได้เคยบำเรอพระองค์มาในป่าชัดเห็นปานนี้อย่างไรเล่าพระเจ้าข่าก็สงสัยนะถามว่าเอ่ยยังไงเนี่ย พระศาสดาจึงตรัสแก่พวกพิสูจนั้นว่าถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังถ้อยคำของเราเถิดจึงมีพระพุทธรับพระพุทธดำรัสว่าเอานะตอนนี้จะเริ่มเล่าละดูก่อนท่านผู้เจริญได้ยินว่าที่ภูเขาหิมพานอันทรงไว้ซึ่งแผ่นดินมีโอสดทุกชนิดดารดาษไปด้วยดอกไม้และของหอมทุกชนิด คือพูดง่ายๆว่าผู้เจ้ากาลังจะเริ่มนะเริ่มเล่าเรื่องนี้โดยที่อ า, อาศัยอะไรอ่ะแม้ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเลยแต่มันนึกภาษาไทยไม่ออกแบ็กกราวอ่ะฮะว่าอะไรอ่ะเอคือคื อ, ค อ, คอเริ่มเล่าเนี่ยว่าว่าไอพื้นที่มาของของเรื่องนี้ ว่าต้นเรื่องของมันเนี่ยมันเกิดที่ป่าหิมพานย์นี่เองหรือที่หรือที่ภูเขาหิมพา น, นย์นะี่นะคือคืออันนี้เป็นหลักว่าป่าหิมพานย์เนี่ยเต็มไปด้วยโหโอสถนานาช น, น, น, น, นิดเลยก็คือโอสถก็คืออ่นานะยาเป็นที่สัญจรเที่ยวไปแห่งสัตว์ป่ามากมายนะเป็นป่าใหญ่เลยนะป่าหิมพานย์เนี่ย นะแล้วนอกจากสัตว์ป่าแล้วก็ยังมีแม้กินนอนกินนระนี่นะกินนอนไม่ใช่กินแล้วนอนกินแล้วนอนนะันอีกพวกหนึ่งแต่ น, นี้กินนอนเนี่ยหมายถึงพวกไหนเอานี่จะศึกษาพวกชาดกพวกอะไรนี่ต้องรู้จักกินนอนหรือกินนารีอะไรพวกนี้คือพวกไหน <c oughs> เ อ, อครึ่งคนครึ่งนกและครึ่งไหนกันแน่ล่ะฮะ ครึ่งคนครึ่งนกเนี่ยครึ่งไหนคืออะไรอ่ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นนกนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เรียกกินนอนถ้าเป็นผู้หญิงเา้าเรียกกินนารีนะก็เออแต่เขาก็มีอีกพวกหนึ่งนะเออคือคือคือตัวเหมือนคนนี่เลยรูปร่างเนี่ยเหมือนคนทุกอย่าง เพียงแต่ว่าถ้าจะไปไหนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ใส่ปีกใส่หางเข้าอ่าเหมือนนั่นแหละเหมือนมโนโราทางใต้นี่แหละใส่ปีกใส่หางเข้าบินไปไหนก็ได้นะ ก, ก็เรียกพวกกินนอนเหมือนกันแลนน้วนี้นอกจากพวกกินนอนอย่แล้วก็ยังมีพวกยักษ์ราชสดอาศัยอยู่ก็เยอะนะก็คงจะรู้นะพวกยักษ์ราชสดหมายถึงพวกไหน มีเขี้ยวเหรอแล้วก็มีตะบองรากสนนี่จริงๆก็แปลว่ายักษ์นั่นแหละนะแต่ยักษ์เนี่ยถ้าเราศึกษาเราอ่านดูก็บอกไปบ่อยแล้วยักษ์คือพวกไหนอ่ะยักษ์นี่เอาง่ายๆนะถ้าโดยทั่วไปแล้วผู้เจ้าท่านถือว่าพวกยักษ์นี่ก็คือพวกที่ยังไม่ค่อยจะ รู้เรื่องศีลยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศีลไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมต่างๆนะหรือบางทียักษ์นี่เขา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นพวกอามนุษย์ด้วยเหมือนกันคือคือคือไม่ใช่ยังไม่ถือว่าเป็นพวกมนุษย์น่ะอาหมนุษย์นี่เยอะแยะกินนอนนั่นก็ถือว่าเป็นพวกอมนุษย์คือพูดง่ายว่าอาก็ไม่อะแหละก็คือยังไม่ใช่มนุษย์นน้คําว่ามนุษย์นี่คือถ้าจะเรียกว่าพวกมนุษย์นี่คือพวก อ่คือพวกที่มีใจประเสริฐแล้วมีใจดีแล้วหรือพูดง่ายๆว่าคนที่จะเป็นมนุษย์ได้นี่อย่าง น, น้อยๆก็คือพวกที่มีคุณธรรมมีธรรมะอ่ามีศีลโดยเฉพาะอย่าง น, น้อยๆก็ศีลห้านะเพราะฉะนั้นพวกที่มีศีล5้าเนี่ยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ดีจิตใจสูงขึ้นเราก็เลยเรียกพวกนี้ว่าเทวดาเราะันเข้าใจอย่างนี้ด้วย ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาอ่านชาดกอ่านอะไรเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยแม้แต่ในพระสูตรในะอรไรต่างบางทีก็เอายักตนนั้นมายักตนนี้มาพูดอย่างนั้นผู้อย่างนี้เราก็นูน่นแหะชอบนึกไปเหมือนยักวัดแจ้งวัดโพในที่เขาปั้นเอาไว้ถ้านึกอย่างนั้นแล้วมันมันคนละเรื่องแล้ะมันมันไปกันไปได้แล้วทั้งนั้นที่ความเป็นจริงมันก็หมายถึงคนเราปกติเนี่ยแหละเพียงแต่ว่า เป็นยังไงอ่ะ น, นิสัยเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงนะอ่าตอนนี้เนี่ยนอกจากพวกกินนอนและพวกยักษ์ราชโสถอาศัยอยู่ก็เยอะมีฝูงนกนาน า, นาชนิดนะเป็นอ่ส่งเสียงร้องกล้องระงมภยัยเป็นภูมิประเทศที่ประดับไปด้วยแร่ธาตนะุน่าหลายร้อยชนิด พูดง่ายว่าอุดมสมบูรณ์มากนะ่ะป่าหิมพานนีิเป็นป่าชัดอันรื่นรมเห็นป่านี้ณนะที่นี้เองเริ่มแล้วคราวนี้พระเจ้าท่านเริ่มแล้วแล้วกีนี้อารัมพบด์น่ะนะปูพื้นมาเนี่ยเนเออบอกที่กี้บอกว่าจะอะไรนะปูพื้นแบ็กกราวด์มาก่อนว่าเป็นอย่างนี้ถ้าภาษาไทยต้องบอกว่าเนี่ยอารัมพบทมาเป็นอย่างนี้ณนะที่นี้เองมีนก มีพญานกดูเ่าวตัวหนึ่งชื่อกุนาร ะ, ะก็ต้องรู้แล้วนะเพราะชาดกเรื่องนี้ชื่อว่ากุนาระชาดกเพราะนั้นนี่คือพระเอกนะพญานกกุณาระมีตัวปีกและขนงดงามยิ่งนักอาศัยอยู่มีนางนกดูว่าวเป็นบริวารคอยบำรุงบำเรอถึง 3,500 ตัวนางนกสองตัว จะเอาปากคาบท่อนไม้ออเอาปากเนาะคาบท่อนไม้ให้พญานกกุณาระนั้นจับตรงกลางแล้วพาบินไปด้วยประสงค์ว่าพญานกกุณาระอย่าได้มีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลยโอ้โหพูดง่ายว่าอะไรอ่ะบริการอย่างดีเลยไม่อยากให้ต้องพญานกขยับปีกเลยนะให้แค่เกาะเกาะท่อนไม้ไว้เฉย นอกนั้นก็นางนกตัวเบาสองตัวนี้เป็นไงช่วยบินให้แหมอย่างกับไปเครื่องบินเลยนะคือคือคนโดยสารก็นั่งเฉยๆแล้วนอกนั้นก็ให้ปีกพาไปนั้นสองตัวนะที่นางนกช่วยช่วยเป็นเป็นปีกเครื่องบินให้พาบินไปไม่อยากให้ให้พยานกนี่เหน็ดเหนื่อย เรานางนกดุ๋วว่าห้าร้อยตัวจะบินไปเบื้องต่ำห้าร้อยนะคราวนี้ห้าร้อยตัวเนี่ยบินอยู่ข้างล่างด้วยป้องกันว่าถ้านกกุณาลาน h ตกจากที่เกาะแล้วพวกเราก็จะเอาปีกรับไว้โอ้โหบริการประทับใจยิ่งกว่านั้นอีกการบินไทยอีกนะเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าการบินไทยอีก มีห้ารตัวนะอยู่ข้างล่างพูดง่ายว่าบินเป็นแผงเลยแนหะยังกระตะข่ายเลยเหมือนพวกนักเล่นละครสัตว์ใช่ไหมที่เขาเล่นแบบเขาไม่ใสอ่อะไรอะไอสลิงใส่อะไรเนี่ยใช่ไหมบางทีเขาก็ามีตะข่ายรองรับไปข้างล่างการวัฏถลอกลงมาก็กยังปลอดภัยนะอันนี้ไม่ไมไ่ใช้ตะข่ายอันนี้ใช้นกเลยบินอยู่ข้างล่างห้าร้อยตัวเป็นเหมือนตะข่ายรองรับไปเลยพูดง่ายถ้า พญานกกุณาละตกลงมาก็สบายมากน่าจะมีตะข่ายคอยรับไว้ให้แล้วมีนางนกอีกห้ารอตัวจะคอยบินไปข้างบนด้วยคิดว่าแสงแดดจะได้ส่องถูกพญานกกุณาละนี้เลยนี่บริการชั้นเยี่ยมเลยเห็นไหมโอ้ข้างล่างมีอะไรนะรองรับไว้อย่างดีข้างบนมีเหมือนกับล่มกันไว้ให้เลยแดดไม่ให้ส่องมาโดนเลย ส่วนนางนกบินไปข้างๆทั้งสองฝั่งข้างละห้าร้อยตัวบวกไปนะทั้งหมดได้เท่าไหร่ <c oughs> นี่ทั้งสองข้างเลยข้างละห้าร้อยตัวด้วยคุ้มครองพญานกกุณาละนี้อย่าได้ถูกความหนาวความร้อนละอองลมและน้ำค้างเลยโอ้โหคิดดูจะไม่ให้แหม โดนอะไรเลยเลยบินไปสองข้างห้าร้อยตัวนี่มันโอ้โหมันไม่น้อยเลยนะแสดงว่าต้องบินแบบเป็นไงบินตั้งฉากเันนะบินแบบเป็นกำแพงเลยถึงจะกั้นได้ใช่ไหมถ้าไม่บินแบบเป็นกำแพงอย่างงี้มันก็กั้นไม่ได้สิถูกหรือเปล่าวันห้าร้อยตัวนี่บินสองข้างนี่บินเหมือนอย่างกับเป็นกำแพงให้เลยกั้นลมกั้นอะไรต่ออะไรให้แล้ว นางนกอีกห้าร้อยตัวจะบินไปข้างหน้าอ่าอันนี้เหมือนหน่วยลาตเวนน้าบินไปข้างหน้าห้าร้อยตัวเป็นการอารักขาว่าพวกเด็กเลี้ยงโคคนเกี่ยวหญ้าคนหักฟืนคนทำงานในป่าอย่าได้คว้างปาพญานกกุณาระนั้นด้วยท่อนไม้ด้วยกระเบื้องด้วยก้อนหินก้อนดิน หรือด้วยอาวุธใดๆรวมทั้งพญานกกุณระนี้อย่าได้ถูกกอไม้เครือเถาต้นไม้กิ่งไม้สิ่งกีดขวางหรือเจอนกที่มีกำลังมากกว่าทำอันตรายได้อออันนี้เป็นหน่วยอะไรอัลลัขานะเอออัลัขาพวกคุ้มคองพวกอะไรพวกนี้นั่นแหละ นะอันนี้โอ้โหป้องกันอย่างดีเลยชนิดแมอะไรอย่างนี้ต้องใช้สานวนอะไรนะยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมอา่านะสำนวนเรียกว่าโอ้โหระวังป้องกันไม่หมดเลยไม่ให้อะไรมากระทบกระทั่งได้เลยนะแล้วยังมีอีกนะนางนกอีกห้าร้อยตัวอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่คอยทำอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่คุ้มครอ ง, องป้องกันแล้วนะมีหน่วย ไอ้นันละจอยุดอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดแลวคราวนี้ข้างหลังคอยเจรจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไพเราะด้วยปรารถนาว่าพญานกกุนาระนี้อย่าได้เงียบเหงาอยู่บนที่จับเลย <c oughs> โอ้อันนี้เหมือนกับสเตรดิโอเหมือนกับมีระบบเครื่องเสียงแหมคอยกลมนะจะได้ไม่เงียบเหงา นะไม่เบื่อไม่เซ็งเหมือนรถทุกวันเนี่ยแหมรถคันไหนไม่มีวิทยุไม่มีอะไรแล้วโอ้คนนั่งไปเบื่ออันนี้เหมือนกันเลยนะนี่ทันสมัยมากเลยนะชาดกเรื่องนี้คิดดูสิถ้าเราคิดว่าเป็นเครื่องบินสักลำหนึ่งนะหรือว่าเป็นรถสักคันหนึ่งนี่โอ้โหบริการอะไรา ย, ยัขนาดนี้นี่ใช่ไหมแล้วนี่มันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยชาดกเรื่องนี้มัน นมนาคาเลแล้วนะคิดดูเอาก็แล้วกันอ่าปรากฏว่านี่บริการนะหน่วยหน่วยอยู่ข้างหลังนี่หน่วยบริการยังมีนางนกอีก500ตัวบินกระจายไปในที่สารุทิดที่สารุทิด น, นี่หมายถึงอ่าทั่วทิดเลยทุกๆทิดเลยเขาเรียกว่าที่สารุทิดนําเอาผลไม้อร่อยอร่อยจากต้นไม้หลายชนิดมาให้คอยบํารุงพญา นกกุณาระนี้อย่าได้ลาบากด้วยความหิวในระหว่างทางเลยครบทั้งเสียงก็ได้แล้วทางปากก็ได้แล้วนะระวังป้องกันภัยอะไรมีครบกต์เซฟตี้ป้องกันอะไรไว้หมดเลยหมดแล้วยังนี่ครบแล้วยังเนี่ยครบแล้วนี่ข้างหน้าข้างหลังข้งางข้างเราโอ้ดีละยังมี รอบทิศไปอีกนะนี่รวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อรวมหมดแล้วได้สา0 0ันห้าร้อยใช่ไหมสามพห้าร้อยตัวนะเรียกว่าใช้บริวารครบหมดทุกตัวเลยได้ยินว่านางนกเหล่านี้พาพญานกกุนาระนั้นเข้าป่าออกป่าไปท่าน้ำซอกเขาสวนมะม่วงสวนชมพู่สวนขนุนสวนมะพร้าวโดยรวดเร็ว เพื่อต้องการให้พญานกกุณาระรื่นเริงพูดง่ายบินนีไนบบนะ่ไม่ใช่บินแบบสโลลี่เลยนะไม่ใช่บินแบบช้าช้าเลยนะแหมบินแบบชนนี้แีลว่าโอ้รวดเร็วทันใจจะพาเข้าป่าไปเขาอะไรที่ไหนนี่ทันใจนะไม่ช้าเลยแต่แม่นางนกเหล่านั้นจะบำเรออยู่อย่างครบถ้วนเช่นนี้พญานกกุณาระก็ยังรุกรานติดาว่า พวกนางนกเหล่านั้นอยู่เสมอว่าอีถอยฉบหายจงกลับไปโอ้นะอีถอยละลายเนะนี่ยอีโจนอีนักเลงอีเพ ล, เลอเอีใจง่ายอีไม่รู้จักกุลคนอีตามใจตนเหมือนลมคือเวลาทําผิดพลาดทาอะไรไม่ดีทาอะไรโอ้โหด่าแหลกพูดง่ายนะถ้าใช้สำนวนเดี๋ยวเนี้ด่าแหลกเลย แต่ที่ด่าแลกด่าแลกเนี่ยก็ก็มีเหตุผลที่ดา่ดาดา่ดาดไปนะอย่างเนี้ยอย่างว่าบางทีเนี่ยทำไม่เหมาะไม่ควรทำไม่อะไรไม่ถูกต้องไม่ดีหรือว่าไม่เป็นที่พอใจนะอยากจะให้กลับไปนี่ก็ด่าไปเลยอีทอยชิดายบอกจงกลับไปอะไรอย่างงี้นะด่าไล่ะตเพิไปเลยนะหรือแม้แต่คำว่าอีทอยละลายเนี่ย ในที่นี้ก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าเนี่ยเนี่ยจงฉิบหาย เ, เพราะว่า ท, ที่ที่ด่าแบบนี้นะในในอัธกถาพระไตรปิฎกอันนี้เนี่ยเขาเขาให้ความหมายว่าที่ด่าแบบนี้อย่างเช่นเนี่ยอิทอยละลายเนี่ยหมายความว่าเนี่ยจงฉิบหายจาก การทั้งปวงอ่ะพูดง่ายว่าทาไม่เขา่าไม่อะไรว่าเขาให้ด่าเขาให้แต่ก็ไม่รู้นะว่าทาไมในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่านี่เขาแปลพอแล้วหรือยังนะคือคืออามารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมแปลพออย่างนี้มันอาจจะหนักว่านี้ก็ได้นะเนี่ยแต่นี่ยังโอโหแปลแล้วยังยังรู้สึกว่ายังพอฟังได้ เวลาอ่านมาถึงตรงนี้ยังพอฟังได้นะอย่างนึกว่าถ้าเป็นเราลองนึกดูสิถ้าเป็นสภาพที่ที่ว่าจริงๆอ่ะว่าแบบหยาบๆยาบว่าแบบรังแรงอ่ะโอ้โหคงจะหนักกว่านี้นะแต่มารู้สึกว่าอย่างนั้นนะคงจะหนักกว่านี้แต่อันนี้ว่าแล้วก็ยังอะไรอ่ะยังยังรู้สึกว่ายังพอฟังไหวะนะเนี่ยโดยเฉพาะอา้าว สมโดน ว, ว่าอีถอยละลายนี่ก็หมายความว่านเนี่ยจงฉิบหายจากอะไรต่างๆเนี่ยทั้งปวงนะหรือว่าอีโจนเนี่ยก็หมายถึงว่าเนี่ยมาทําให้ทรัพย์สินทําให้เข้าของทําให้อ่า อ, อะไรอะ่ะของในบ้านของในเรือนของในอะไรต่างๆเนี่ยมันมันสูญเสียไปมันพังพินาศไปนะก็เลยเรียกว่าอีโจรหรือว่าอีนักเลงอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่า มีมายามากในที่นี้นะเขาหมายถึงว่าโอ้มีเลเหลี่ยมมีมายานี่มันจะยังไงอะเสแสร้งออมีการเสแส้งมีอะไรพว ก, นก เ, เ, เนี้ยมากอิเพอเลอร์นี่ก็หมายถึงว่า <c oughs> อหมายถึงขาดสติหมายถึงไม่ค่อยมีสติอะนาบางทีจะพูดจะจาจะทําอะไรเนี่ยบางครั้งก็ อาจจะโลภกรธหลงอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยมีสติให้มันดีทําอะไรไปโดยที่บางทีไม่ยั้งคิดไม่อะไรพวกนี้นันก็เรียกว่าเนี่ยขาดสติทําอะไรไปอิจัยง่ายอีใจัย ง, ง่ายนี่ก็หมายถึงโลเลหมายถึงโลเลบางทีคิดอะไรจะทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงอยูแล้วเดี๋ยวก็จะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้หมายถึงในทางที่ไม่ดีน ะ, ะในทางที่ไม่ดีเนี่ย เออคือบางทีอ้าวอย่างงั้นอย่างงี้ก็เอาอีกแล้วโลเลโลเลนะอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะอย่างงออย่างงี้เนี่ยนะแล้ว อ, อีไม่รู้คุณคนอันนี้คงไม่ต้องแปล <c oughs> ในที่นี้เขาก็หมายถึงว่าเนี่ยชอบทําลายมิตรภาพนะในที่นี้เขาหมายถึงว่าไม่รู้คุณ ค, ณคณนนี่หมายถึงว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันมาหรืออาจจะรู้จักกันหรืออาจจะเป็นเครือญาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ มักจะทําให้แตกกันอ่มักจะทําให้แบบว่าเนี่ยเขาถือว่าทําลายมิตรหรือทําลายมิตรภาพทําให้แบบว่าทะเลาะกันอยู่เรื่อยพูดง่างอันเนี้คือทํำลายมิตรนะหรืออีตามใจอีตามใจตนเหมือนลมนี่สำนวนนี้แปลกๆตามใจตนเหมือนลมเป็นไงลมเนี่ยมันเป็นไงโอ้มันพัดง่าย แม่อัตมาว่าน่าจะอิตามใจตนเหมือนเหมือนใช้อารมณ์รู้สึกว่าอย่างนั้นอ่ะนะคือคิดอะไรอะไรยังไงก็เอาตามใจตัวเองอ่ะนึกจะรักก็รักนึกจะเกลียดก็เกลียดนึกจะอะไรอ่ะโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเอาแต่ตามใจตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยอัตมาอยากจะพูดให้ให้พวกเราฟังว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้ว พุทธเจ้าท่านยกอันนี้มานะแล้วก็ใช้คำทำนองนี้ในเรื่องกุณาราชาดกนี้ให้เราพยายามฟังแล้วเนี่ยให้มีแง่คิดว่านี้หมายถึงเหมือนกับนิสัยของผู้หญิงในแง่ลบนะนิสัยของผู้หญิงในแง่ลบไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงมีแต่แง่ลบมีแง่บวกแต่อันนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสแง่ลบของผู้หญิง ให้กับภิกษุทั้งหลายเนี่ยฟังเพียงแต่ว่าท่านเล่าเป็นชาดกเป็นเนื้อเรื่องเท่านั้นเองแ ล, แล้วนิสัยแบบนีเ้เราบอกว่าเป็นนิสัยผู้หญิงแต่ให้เจาะลงไปอีกว่าคาว่านิสัยผู้หญิงหรือเราใช้คำว่าอิทถีภาวะหมายถึงว่าสภาวะหรือสภาพโดยเฉพาะสภาพจิตใจเนี่ย สภาวะจิตใจของความเป็นผู้หญิงคือเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นปุริสภาวะก็หมายถึงว่าสภาวะจิตใจของใครก็ตามที่เป็นผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าปุริสภาวะเพราะนั้นให้คิดเป็นสภาวะนะผู้หญิงที่ฟังชาดกเรื่องนี้ถ้าคิดให้ได้เป็นสภาวะโดยเฉพาะสภาวะจิตเนี่ยนะถ้าคิดได้อย่างนี้จะไม่แสบแบคันคัน แต่ถ้าคิดไม่ได้อย่างนี้จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ทําไมด่าเอาด่าเอาโอ้อาจจะคันเนี้ยคันตัวนะฮะคันหัวใจเกิดขึ้นได้มีบางคนอาจจะยอมรับไม่ได้มีบางคนจะยอมรับไม่ได้ว่าอะไรผู้หญิงจะไปเลวอะไรถึงขนาดนั้นโอ้นั่นแหละมันจะเกิดอัตามานะเกิดอะไรขึ้นมาที่จะทําให้ไม่ยอมรับ มันแทนที่จะได้ประโยชน์จากชาดกเรื่องนี้อาจจะไม่เพียงแต่ไม่ได้ประโยชน์อาจจะได้อิทธิภาวะเพิ่มไปอีกนะได้เพิ่มตรงไหนได้เพิ่มตรงความโกรธความเกลียดหรือความไม่ชอบใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นซึ่งลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะคืออิทธิภาวะนะแล้วก็จะเป็นอีอะไรก็อีหนึ่งนะ่ะ <c oughs> นะตามทั้งหลายเนี่ยมีกี่อีเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดมี8ปดอีนะถ้าคิดเป็น a b c d e ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักใจนะแต่ถ้าคิดเป็นอ e, ีไทยก็หนักใจหน่อยผู้ชายก็เป็นได้ไดบอกแล้วถ้าคุณคิดคุณเข้าใจถึงสภาวะอย่าไปคิดแต่เพียงแค่ตัวตนบุคคลร่างกายเท่านั้น นะเอาไปจำแ8ด e ีให้ดีๆกันแล้วกัน <c oughs> เ, เขามีมารกองแปดแล้วนะอันนี้อันที้แปดีไปฟังไว้ไปดูที่ว่าแ e ดีนี้ไม่ควรมีนะไม่ควรเป็นนะควรจะล้างทิ้งซะจะได้ไม่ต้องไปมีอิทธิภาวะพวกนี้นะอาตอนี้เราฟังต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคั้นตัดอย่างนี้แล้วจึงตรัดต่อไปว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อสมัยที่เราเป็นสัตว์ดิรัชานก็ยังรู้ว่าหญิงทั้งหลายเป็นคนอกตันอยู่เป็นคนมีมายามากเป็นคนประพฤติอนาจารเป็นคนทุศีนด้วยประการชนนี้แม้ในคราวนั้นเราก็ไม่ไดอ้อยู่ในอำนาจของหญิงเหล่านั้นกลับให้หญิงเหล่านั้นอยู่ในอำนาจของเราถ้าพูดโดยตามเนื้อเรื่อง พูดง่ายว่าแม้มีบริวารตั้ง 3,500 ตัวนี่แต่บริวารทั้ง 3,500 ตัวอยู่ในอำนาจของพญานกกุนาระผู้เดียวแล้ว 3,500 ตัวนี่เป็นอะไรหมดเป็นผู้หญิง <c oughs> นะเป็นผู้หญิงหมดนี่แหมพูดจริงๆนกนะนกนก <c oughs> นะเป็นผู้หญิงหมดเลยทั้ง 3,500 ตัวไม่มีกระเทยแล้วก็ไม่มีบุรุษอื่น พูดง่ายว่าพญานกกุนาระนี่ปกครองโดยชนที่เรียกว่าไม่ไม่ได้ให้ผู้หญิงมามีอํานาจเหนือพญานกกุณาระนี่เลยพญานกกุณาระนี่อยู่เหนื อ, อ, อนกทั้ง 3,500 ตัวทั้งหมดถ้าตอนี้ถ้าพูดเป็นธรรมมาทิฐานถ้าพูดโดยธรรมมาทิฐานก็คือปุริสภาวะต้องให้อยู่เหนืออิทธิภาวะให้ได้ ถ้าคุณสามารถจะมีปุริสภาวะกลุ่มอำนาจได้ไม่ให้อิทธิภาวะเนี่ยเหนือกว่าปุริสภาวะอ่าคราวนี้คุณได้ผลแน่เพราะอย่างพูเท่าเจ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นอะไรอ่าเรียกว่ามหาบุรุษใช่ไหมเราใช้คําว่ามหาบุรุษคือคือยอดเยี่ยมที่สุดละหรืออ่าอะไรทั้งกี่ประการ มหาบุรุษสภาวะกี่ประการฮะสามสิบสองประการใช่ไหมนะเรียกว่าเป็นโอ้โหเป็นสภาวะของความเป็นมหาบุรุษเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วด้านเน่ยคือสภาวะของบุรุษเนีย่ยต้องให้อยู่เหนือให้ได้เพวันคราวนี้คุณจะมีร่างเป็นผู้หญิงก็ตามคุณจะมีร่างเป็นผู้ชายก็ตาม แต่คุณทาจิตให้เป็นบุริสภาวะได้ไหมคําว่าทําจิตนะจิตนะให้เป็นปุริสภาวะให้ได้ไม่ใช่ไปทําตัวให้เป็นปุริสภาวะถ้าคุณไปทําอย่างนั้นคุณเป็นกระเทยเป็นทอมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะอันนี้คุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเป็นผู้หญิงไปแหละร่างกายในชาตินี้มันไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกไม่ใช่ไป พาตัดทาศัญยกรรมอะไรนะอันนั้นไม่เอาอันนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยพยายามปรับจิตทำจิตของเรานะให้หายจากความเป็นอิทธิภาวะให้ได้